ยาซีเรียเรื่องเทวดากับนอนชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีนิ D, สัยดีมีศีลธรรม ชอบทำบุญกุศลเสมอส่วนอีกคนหนึ่งตรงกันข้ามนิสัยไม่ดีไม่ชอบทำบุญกุศลอะไรชอบเที่ยวเตะกินเหล้าเมายาแต่ถึงกระนั้นทั้งสองคนก็ยังรักใคร่กันต่อมาเมื่อคนทั้งสองตายคนที่มีศีลธรรมไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ส่วนอีกคนที่ไม่เอาไหน ไปเกิดเป็นนอนอยู่ในซ่วมซึ่งเป็นซ่วมโบราณสมัยเก่าวันหนึ่งเทวดานึกถึงเพื่อนจึงสอดสองทิพยานตรลงมาก็ทราบว่าไปเกิดเป็นนอนสงสารอยากจะให้มาเกิดอยู่ด้วยกันจึงลงจากสวรรค์ไปหานอนชวนให้ไปเกิดที่สวรรค์โดยชีย้แจงว่าที่สวรรค์นั้น สวยงามสมบูรณ์ด้วยความสุขอาหารก็เป็นทิปต้องการอะไรก็เนรมิตได้ตามความต้องการจึงขยันขยอเพื่อให้หนอนพอใจที่จะไปสวรรค์ด้วยแต่เทวดาต้องผิดหวังเพราะหนอนปฏิเสธโดยอ้างว่าที่นี่ดีกว่าสวรรค์ทุกประการว่าถึงเรื่องอาหารการกินแล้วบริบูรณ์มาก ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเนรมิตเพราะมีผู้เนรมิตให้เดียวเพลเดียวเพลรับไม่หวาดไม่ไห้ข้าพเจ้าขอบใจทันมากที่มีความหวังดีต่อข้าพเจ้าอุตส่าห์ลงมาชักชวนถึงที่นี้เทวดาเลยต้องกลับวิมานด้วยความผิดหวังเรื่องนี้เป็นเรื่องค้อเปรียบเทียบ เหมือนกับคนที่ชอบประพฤติไปในทางอบายามุขใครจะไปช่วยแนะนำให้เลิกก็ไม่สนใจหรือคนที่ชอบทำบาปอากุศลเขาแนะนำให้เข้าวัดฟังธรรมก็ไม่สนใจก็เป็นเหมือนหนอนในเรื่องนั่นเอง